เรื่องอปุตตะเศรษฐีเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภเศรษฐีชื่ออปุตตะดังได้สดับมาพระเจ้าประส e ที่แห่งแคว้นโกศลทรงสดับการทำกาละคือความตายของเศรษฐีอปุตตะจึงให้นำทรัพย์ทั้งหลายเข้ามาสู่พระราชวัง ขนทรับอยู่ถึงเจ็ดวันจึงเสร็จได้ยินว่าเมื่อครั้งมีชีวิตเศรษฐีนั้นเมื่อคนรับใช้นำโภชนะมีรถเลิศใส่ภาชนะทองคำก็กล่าวตำหนิติเตียนด่าว่าและคว้างปาทำร้ายคนเหล่านั้นแล้วกินข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองแม้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็เช่นเดียวกันนุ่งผ้าป่าเนื้อหยาบถือร่มเก่า ใช้ยานเก่าๆไม่ยินดีของพระนิกพระศาสดาทรงเล่าบุรพากรรมของเศรษฐีในการอดีตเศรษฐีทำการต้อนรับพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้านามว่าตะขาราสิขีด้วยบินทบาทสั่งคนรับใช้ให้ถวายบินทบาทแก่สมณะดังนี้แล้วลุกไปฝ่ายภ ร, ริยาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส คิดว่านานทีเดียวที่จะได้ยินจากปากเศรษฐีว่าจงให้นางยินดีแล้วรับบาตแล้วได้ให้โภชนะอันปราณีถวายเศรษฐีเห็นบินทบาตรปราณีมีความเดือดร้อนจึงคิดว่าพวกทาตหรือพวกกรรมกรพึงกินบิณทบาตอันปราณีต น, ตนี้ยังดีเสกว่าเพราะกินแล้วจะทําการงานให้เราส่วนสมณะนี้ รันกินเข้าไปแล้วไม่ได้ทําอะไรให้กลับไปนอนหลับทานคือบินทบาตนั้นของเธอชิบหายแล้วอันหนึ่งเศรษฐีนี้เคยฆ่าบุตรของพี่ชายคนหนึ่งด้วยการลวงเข้าไปในปา่าแล้วบีบคอให้ตายที่โคนกอไม้และทิ้งไว้ด้วยแย่งมรดกของพี่ชายนี้เป็นบูรพากรรมของเศรษฐีในชาตินั้น ผลแห่งกรรมที่เศรษฐีต้อนรับพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าตอนแรกทำให้เขาถึงสุคติโลกสวรรค์ถึงเจ็ครั้งด้วยผลกรรมที่เหลือจึงได้ความเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีอีกถึงเจ็ครั้งด้วยผลทานที่เศรษฐีได้ทำแล้วมีความเดือดร้อนใจเกิดเสียดายในภายหลังจิตเศรษฐีไม่น้อมไปเพื่อบริโภคพัดอันประณีตปุ้มเฟือย แม้เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าการใช้สอยยานพาหนะไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันดียิ่งกลายเป็นคนตรณีขี้เหนียวใช้แต่ของไม่ดีด้วยผลกรรมปลงชีวิตซึ่งบุตรของพี่ชายเพราะเหตุแห่งทรัพย์นั้นเศรษฐีจึงไม่อยู่ในนรกสิ้นแสนปีเป็นอันมาก ทำให้แม้มีรัพย์ก็ไม่มีบุตรเป็นทายาทถึงเจ็ดครั้งที่สุดทรั์นั้นก็กลับเข้าสู่พระคลังหลวงอันหนึ่งบัดนี้บุญเก่าของเศรษฐีหมดสิ้นลงบุญใหญ่ก็ไม่เคยได้สั่งสมเพิ่มในวันนี้เศรษฐีได้ทำกาละคือตายไปแล้วไม่อยู่ในนรกมหาโรรุวะแล้ว แล้วทรงตรัสพระกาถานี้ว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนปัญญาสามแต่ไม่ฆ่าผู้มีปัญญาสแสวงหาฟังคือพระนิพพานคนสามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แล